คถาเหล่านั้นพึงทราบวินิจฉัยว่าภิกษุนั้นคือผู้มีอย่างนั้นคือพระขีณาสพพระขีณาสพก็คือพระผู้สิ้นอาสวะแล้วเนี่ยนะก็พระขีณาสพย่อมไม่ยึดมั่นพระองค์ตรัสว่าพระขีณาสพย่อมละครั้นละแล้วดำรงอยู่ก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังตรัสว่าภิกษุนั้นย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้ด้วยลักษณะคําที่เป็นปัจจุบันในวิพัฒน์ที่เป็นปัจจุบันใกล้อดีตเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งก็ภิกษุปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสปรินิพานธาตุบัณฑิตทึงทราบวา่าละฝังในและฝังนอกกล่าวคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกของตนเสียได้เรียกว่าตัดเยื่อใยในขันภายในและอายตนะภายในและภายนอกเพราะเมื่อจุติดจิตเกิดขึ้นก็ไม่มีวัตถุและอารมณ์ให้ให้เกิดแล้วเพราะผ้าหานปรินิพานก็คือไม่มีวัตถุและอารมณ์เป็นที่รองรับจิตอีกต่อไปนั่นแหละเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพาน เพื่อทราบความไม่มีอนุสัยในพระคถานั้นโดยแยก2ส่วนคือตัดอนุสัยตามลำดับกิเลสกับและอนุสัยตามลำดับมรติอธิบายว่าตามลำดับกิเลสก่อนนะไม่มีแห่งการมราคานุสัยและปฏิคาอนุสัยด้วยอนาคามีมรติไม่มีมานานุสัยด้วยอรหัตตมรติไม่มีทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยด้วยโสดาปฏิมรติตัดภวราคานุสัยและอวิชานุสัยด้วยอรหัตตมรติเนี่ยนะ มักที่หนึ่งก็โสดาใช่ไหมมักที่3ก็อนาคามักที่สี่ก็อรหรันที่จริงก็ต้องเรียกให้เต็มนะโสดาเพราะดีสกะท า, าไม่เพราะอ่าสกะทาคาเนี่ยนะต้องพูดให้มีอีกศัพท์หนึ่งแค่นั้นเองนะมีนีอนาคาอย่างเงนะคาอะไรก็ไม่มทราบตัวให้เต็มนะอันนี้พูดตามลําดับละกิเลสถ้าพูดตามลําดับมักล่ะที่ชื่อเรียกว่าลําดับมักก็คือโสดาปฏิมักเนี่ยไม่มีทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย อนาค า, นาคามีมรรคไม่มีการมาราคานุสัยและปฏิคานุสยัยตอนนั้นเขาพิมพ์มาอย่างไงนะนะั่นนะพิมพ์ผิดนั่นนะนะไม่มีการมาราคาและปฏิคานะั่นไม่ใช่อวิชชาส่วนไม่มีมานานุใสเพราะว่าราคานุสัยและอวิชชานุสัยด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยนะมันบรรทัดที่สองหน้า48ดเนี่ยนะนับลงเนี่ยผิดคําว่าอาวิชชานี่ผิด เพราะเหรพระพุทธเจ้าให้ละทาไมก็เพราะเหตุที่อนุสัยทั้งปวงเนี่ยเป็นอกุศลคือการมราคานุสัยและภวะราคานุสัยนั้นอ่ะสงเคราะห์ด้วยโลภเป็นอกุศลมูลอกุศลมูลคือโลภปฏิคานุสัยและอวิชานุสัยมีอะไรเป็นมูลโทสะเป็นอกุศลมูลโมหะเป็นอกุศลมูลนะคือปฏิคานุสัยก็มีโทสะเป็นอกุศลมูลอวิชานุสัยก็มี โมห oh ะเป็นอกุศลมูลส่วนวิจิกิจฉะทิฏฐานุสัยมานานุสัยวิจิกิจฉานุสัยเป็นอกุศลแต่ไม่เป็นมูลทิฏฐานุสัยกับมานานุสัยมีโลภะกับโมหะเป็นมูลวิจิกิจฉานุสัยมีโมห oh ะเป็นมูลอย่างเดียวภิกษุผู้ปรารถนาการละกิเลสด้วยสา ม, มารถแห่งความไม่มีอนุสัยด้วยสา ม, มารถแห่งการถอนอกุศลมูลเสียได้คือวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าแสดงก็เพื่อให้ถอนอกุศลมูล อันนจริงๆอริยมรรคเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยอะไรสมอริยมรรคนี่ก็คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาบริบูรณ์ใช่ไหมเรียกว่าอริยมรรคอธิศีลในมรรคเนี่ยถอนโทสะที่เป็นอกุศลโมูลอธิจิตในองค์มรรคนี่ถอนโลภะที่เป็นอกุศลโมูลอธิปัญญาในมรรคเ่ยถอนโมหะที่เป็นอกุศลโมูลได้อย่างเด็ดขาด ส่วนคาถาที่สิบห้าหน้าสีคาถาสุดท้ายบอกว่าภิกษุใดไม่มีกิเลสอันเกิดแต่ความกระวนกระวายอะไรอะไรอันเป็นปัจจัยเพื่อมาสู่ฝั่งในคือไม่ไมาไม่มีกิเลสกลับมาอีกแล้วภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่ค่ําคร่าแล้วฉะนั้นอธิบายในหน้า48ว่ายัสะ ธรทชาเป็นต้นอธิบายว่ากิเลสที่เกิดครั้งแรกเรียกว่าธรทเพราะ อ, าาาอัฐว่าเร่าร้อนส่วนกิเลสที่เกิดต่อมาเชื่อว่าธรทชาเพราะเกิดจากกิเลสเป็นเครื่องกวนกระวายนะผู้ที่ไม่มีกิเลสที่เกิดจากความกระวนกระวายเพื่อเป็นปัจจัยมาสู่ฝั่งในหมายความว่าภิกษุนั้นเนี่ยชื่อว่าถอนการถือตัวหรือตัดปัจจัยเพื่อมาอุบัต ตัดปัดจจัยเพื่อให้มาเกิดอธิบายว่าก็ภิกษุไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความกระวนกระวายอย่างใดซึ่งเป็นปัจจัยแห่งการยึดถืออุปาทานขันเพราะเหตุที่กิเลสเหล่านั้นตนละเสียได้ด้วยอริยมรรตเนี่ยนะตัดเชื้อตัดความเศร้าหมองทั้งปวงด้วยอริยมรรตเมื่อตัดด้วยอริยมรรตอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าละฝั่งในและฝั่งนอกตามอธิบายมาแล้ว ส่วนคาถาที่สิบหกหน้าห้าภิกษุใดไม่มีกิเลสอันเกิดแต่ตัณหากิเลสที่เกิดจากตัณหาเหมือนอะไรเหมือนป่ากิเลสที่เกิดจากตัณหาเหมือนป่าอะไรอะไรอันเป็นเหตุเพื่อความผูกพันผูกพันเพื่ออะไรเพื่อเกิดอะนะ ภิกษุไม่มีกิเลสอันเกิดแต่ตันหาดุดป่าอะไรอะไรอันเป็นเหตุเพื่อความผูกพันเพื่อความเกิดภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝังในและฝังนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วฉะนั้นไม่มีกิเลสที่เกิดจากตันหาดุดป่านี่เป็นยังไงในหน้า49บอกว่าธรรมชาติที่เรียกว่ากิเลสดุดป่าเนี่ยนะกิเลสที่ชื่อว่าป่าเพราะอะไรเพราะมันปรารถนาต้องการจำนงคือย่อมขอย่อมครบแบบนั้น กิเลสที่เกิดจากป่าเนี่ยนะป่าก็เป็นชื่อของตันหาพราะนั้นป่าเนี่ยมันต้องการจําำงขอคบจริงอยู่ตันหาทั้นเรียกว่าป่าวณะป่าเนี่ยนะเพราะปรารถนาคือเพราะไหลออกมาแห่งอารมณ์ทั้งหลายคือตันหาตันหานี่ก็ย่อมแผ่ไปด้วยอำนาจที่เป็นอารมณ์เป็นปริยุทธฐานเพราะฉะนั้นตันหานั้นจึงชื่อวณัฐะตันหาคะะําว่ณณฐะนี่เป็นชื่อของตันหานุสัย ตอนตอ น, ตอนแรกเขาบอกว่าแผ่ไปด้วยอำนาจที่เป็นที่มีอารมณ์เป็นปริยุทธฐานตัญหาชื่อว่าวณัฐวณัฐชื่อเป็นชื่อแห่งตัญหานนอนุสัยวันอนุสัยกับปริยุทธานไม่ต่างกันกิเลส ท, ทั้งหลายที่เกิดจากตาคือตัญหาชื่อว่าวณัตชาอาจารย์บางพวกบอกว่ากิเลส ท, ทั้งหมดชื่อวณัฐเพราะเพราะอธรรมว่าเป็นเครื่องรกชา่นส่วนกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นต่อต่ อ, ตอมาชื่อว่าวณัตชา อันนี้ท่านประสงค์เอาเนื้อความในสุภาสูเท่านี้ที่บอกว่าไม่มีกิเลสเป็นเครื่องผูกพันเพื่อความเกิดเนี่ยนะวินิ พ, พันธายะพวายะคือเพื่อผูกพันในภพอีกอย่างหนึ่งเมื่อความผูกพันในอารมณ์ทั้งหลายแห่งจิตหรือเพื่อความเกิดขึ้นหรือเพื่ออุบัติขึ้นต่อไปชื่อว่าเหตุตกับปาหั่นถ้าหากว่าไม่มีกิเลสด้วยอริยมรรตตามที่กล่าวแล้วเนี่ยนะ ก็กล่าวแล้วถ้าหากว่าไม่มีกิเลสอาศัยอนุภาพของอริยมรรตัดกิเลสที่เกิดจากตัณหาดุดป่าไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ผูกพันไม่มีกิเลสเพื่อการเกิดขึ้นในภพใหม่ภิกษุรูปนั้นก็ชื่อว่าละฝังในและฝังนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คล่าคล้าฉนั้นคาถาสุดท้ายภิกษุใดละนิวรห้าได้แล้วไม่มีทุกข์ ละนิวรณ์ห้าได้หมดไม่มีความทุกข์ข้ามความสงสัยได้แล้วไม่มีลูกศอนหรือมีลูกศรปราดไปแล้วแปลว่ากําจัดลูกศรได้แล้วพิสูจน์นั้นเชื่อว่าย่อมละฝังในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คลําคล้าแล้วฉะนั้นหน้าห้อธิบายว่านิวรณ์คืออะไรนิวรณ์เพราะเครื่องทําจิตให้เดือดร้อนหรือเป็นเครื่องปกปิดจิตก็ได้ปิดจิตซึ่งปิดยังไงดี มันไม่ให้ปิดแต่จิตนะปิดตาด้วยอ่ะนิวรนี้มีห้าใช่ไหมห้าคืออะไรก็การมาชั้นท่านิวรนพยาบาท่านิวรนทีนามิท่านิวรนอะอุทาจักกุกุจ่านิวรนและวิจิกิจฉานิวรนเนี่ยนะผู้ที่ตัดนิวรนทั้งห้า ผู้ที่ละนิวรณ์ได้แล้วเชื่อว่าไม่มีทุกข์เพราะไม่มีความทุกข์ข้ามความสงสัยได้เพราะกําจัดความสงสัยถอนลูกศรได้แล้วก็เพราะว่ามีลูกศรปราบไปแล้วอธิบายว่าอย่างไรอธิบายว่าภิกษุใดเห็นนิวรณ์ทั้ง5้ามีการมฉันท่านิวรณ์เป็นต้นเห็นโทษในนิวรณ์ทั้งหลายโดยความเป็นของเสมอกันและโดยพิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตรัสเอาไว้เนี่ยนะก็ละด้วยมรรคนั้น น, นนะก็เช่น กามชฉันท่านิวรละด้วยอนาคามีมัจการมชฉันท่านิวรกับพยาบาทนิวรละด้วยอนาคามีมัจกุกจุจจะนิวรละด้วยอะไรอนาคามีมักเหมือนกันอุทธจจะละด้วยอรหัตมัคทีนามิท่าละด้วยอรหัตมัจ ว, วิจิกิจชานิวรละด้วยโสดาปฏิมัจเกรนะวลาลนิวรตามลำดับมักเชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีทุกข์เพราะไม่มีทุกข์คือทุกขจากกิเลส เพราะเหตุที่ตนละนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยนะความทุกข์จริงๆก็เกิดจากนิวรณ์นะถ้าไม่มีนิวรณ์ก็ไม่มีทุกข์รอกเนี่ยนะนิวรณ์เช่นการมาฉันท่นินวรณ์ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะทุกแบบเห็นๆ เ, เลยนะไม่ต้องรอชาติหน้าที่ไหนรอกเหมือนกันถ้าหากว่าพ้นความสงสัยได้เรียกว่าข้ามพ้นความสงสัยไปแล้วว่าสงสัยในอดีตหสงสัยในอนาคตหสงสัยในปัจจุบัน6เรียกว่าตัดความสงสยัยมีวัตถุ16ได้เรียบร้อยแล้วก็สลัดลูกศร ลูกศรทั้ง5้าดอกคือลูกศรคือราคะปักแล้วก็ถอนยากลูกศรคือโทสะปักแล้วก็ถอนยากลูกศรคือโมหะเนี่ยปักแล้วก็พันเลยค่ะในยุ่งลูกศรคือมานะก็ถอนยากลูกศรคือทิฏฐิถอนลูกศรคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิถ้าถอนลูกศรอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าละฝังในและฝังนอกเสียได้ทีนี้พูดถึงการละละอะไรละนิวรโดยลําดับกิเลสกับละโดยลําดับมรุณเนี่ยนะ ถ้าลนิวรด้วยลำดับกิเลสเช่นการมาฉันทานิวรและพยาบาทนิวรละด้วยอนาคามีมักถีนะมิถะและอุทธจานิวรละด้วยอรหัตตมักกุกกุจจนิวรและวิจิกิจานิวรเนี่ยละด้วยโสดาปฏิมักเห็นไหมคือคือไอคําว่าละในที่นิวรตัวนี้หมายถึงว่าว่าเราไม่ได้ทํากุศลไว้แล้วนะกุกุจจานิวรแต่เมื่อว่าตามลําดับมักละกุกุจจานิวรและวิจิกิจานิวรด้วย โซดาปฏิมักเนี่นะมักที่หนึ่งคือโสดาปฏิมักละการมาฉันทานิวรและพยาบาทนิวรให้เบาบางด้วยสกัตถะคามิมกักละการมาฉันทาและพยาบาทโดยสิ้นเชิงด้วยอานาคามิมกักละถีนมิท้าและอุเทจานิวรด้วยอรหัตตมักภิกษุใดละนิวรทั้งหลายได้อย่างนี้เป็นผู้ไม่มีทุกข้ามความสงสัยเสียได้ปราศจากลูกสอน ภิกษุนั้นชื่อว่าละฝังในและฝังนอกเสียได้ดุดงูละคราบเก่าที่คร่ำคราบไปฉะนั้น น, นะพระองค์นี้ตรัสเทศนาให้จบลงด้วยยอดคือผ้าหันทีเดียวที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาภิกษุนั้นดํารงอยู่ในพผ้าหันก็แสดงว่าเท่าที่ฟังเนี่ยนะแต่ละคาถาเนี่ยท่าหันทุกคาถาหมดเลยนะบรรลุกมรคลกันทุกคาถาทั้ง17บคาถาแปลว่าบรรลุ17ในด้วยการจากพุทธพจน์17 คาถาเนี่ยนะก็ที่นาบแล้ก็ละละฝั่งในและฝั่งนอกละความเจริญและความเสื่อมนะนะละบาปแล้วก็ลอยบุญหรือละบุญลอยบาปได้เสร็จแล้วก็ทําที่สุดแห่งวัตทุกข์ได้นี่นะครเหมือนอะไรเหมือนงูที่ละคราบเก่าที่คร่าคราฉะนั้นเนี่ยนะแปลว่าจะอยู่กับคราบตลอดไปบอกไม่เอาละคราบดีกว่านะาละคราบดีกว่าก็เลิอกอึดอัดเป็นต้นเนี่ยนะ อันก็ขอให้กุศลผลบุญที่เกิดจากการฟังธรรมตั้งแต่เช้าจนบ่ายในวันอาสาฬหาบูชานี้ก็จงเป็นไปเพื่อการละอากุศลธรรมละด้วยสังวรประหารละด้วยสังวรวินัยละด้วยประหานวินยัยแทงตลอดโทธิปักขยธรมรมตรัสรู้อริยสัจธรรมที่สุดแห่งวัต ถ, ถุกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่วการอนุโมทนาเชิญพรวันนี้ใช้เวลาเท่านี้นะ